ทำไปเถอะทำไปอาศัยความรู้อาศัยความเข้าใจของเรานี่แหละ อ, อาศัยความรู้อาศัยการหกการจอการพิจรารณาการกําหนดจุดจอดทำอย่างนี้แหละทำดูว่ามันจะไปถึงไหนกันตามกาหนดเกิดจอดดูได้เราหรือพพิจรารณาใจคลี่คลายใจยให้ดีพิจรารณาใจให้ดี บางที่เราถ้าเราชัดเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ข้างในแล้วก็ย้อนมาดูกายมเก็มาพิจารณากายบ้างก็าไม่ควรจะหยุดหยอน ด, ดูกายบ้างกายเป็นกายสัจธรรมเป็นกายหรือกายสัจธรรมเป็นกายรหรือกายสัจธรรมเป็นกายจริงหรือเป็นดินจริงหรือเป็นสัจธรรมเป็นไฟเป็นลมเป็นน้ําจริงหรือ เราคบกันหมดย้อนมาดูแล้วก็ทดสอบว่ามันตรงต้องถูตงกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ไหมกายก็เป็นส่วนกายอ่อนเป็นดินอ่อนเป็นน้ําอ่อนเป็นลมอ่อนเป็นไฟเนี่ยครับฟางช่วงที่มันแสดงมันโผล่ขึ้นมาอ้าวกายเราเรามีความรักเรามีความชอบ อากายของเขาโอ้เรามีความรักเรามีความชอบอลยมันยังแทรกเข้ามาดูสังเกตสังขายอยู่อย่างนี้แหละพิจารากันอยู่อย่างนี้แหละจนเห็นเห็นจนเห็นจนจนเห็นเห็นเหตุเหตุเหตุปัจจัยกายกรับ็เหตุปัจจัยของกายไปเห็นเหตเห็นเหตุเห็นปัจจัยของกายกายเจ็บก็คือกายกายกายเจ็บกายปวด อกายสุขกา้สบายมันถึงหมดมันทันมันทันจะนั้นเราไม่ยึดเราไม่ยึดโดยที่เราไม่ยึดความทุกข์ที่เราจะได้ความยากความลำบากอย่างกายมันก็มีแต่สภาวะธรรมที่เป็นส่วนของเวทนาปรากฏหนึ่งไว้ใจของเราเนอ่ามันไม่มีมันไม่มีเราเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นกายกายไม่ได้เป็นเราดูให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยหากมัน มันเป็นโดยอัตโนมัติเพรามันนั่นแหละจึงจะเป็นผลที่ีชัดเจนในหัวใจของเราอันนี้จะดูการแล้วก็ย้อนมาที่จิตอันนี้เป็นการเป็นการเดินเพื่อที่จะรู้เท่าทันดักหน้าดักหลังมันเท่าทํำไงตัญหามันจะไม่แทะเข้ามาในหัวใจของเราอันนี้สําคัญมากอ่ามันสงบเงียบหายไปไหนเวลาเรามาขุดมาคุย้ยเราพอมาขุดคุ้ยที่กายนี่แหละ ตายไม่ใช่ของเราจริงหรือกำหนดเรื่องความรักเรื่องความจางราคะตัณหาเนี่ยพยายามกำหนดจดจ่อพิจารณาตามไล่ต้อนกันอยู่นี่แหละด้วยความชัดเนจนส่วนละเอียดมันโผล่ขึ้นมาถามอยู่นี่ขัดสีกันอยู่นี่แหล ะ, ะเราฟังครูบาอาจารย์ท่านพูด ท่านไปทำมาทั้งทีทั้งชาติบางทีทำจนค่อนข้างชีวิตมาแล้วท่านประสบผลสาเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านมาเลาไอ้ฟังหนึ่งนาทีสองนาทีแค่นั้นเนี่ยเราก็ไปหมายไปหมายแล้วครับยึดเอาถือเอาสาคัญมั่นหมายเอาแต่ก็เราก็ไม่ปฏิเสธดอกมันเป็นกำลังใจแต่ที่จะให้ผลเป็นผลปรากฏชัดเจนในหัวใจของเราเนี่ย เราจะต้องทําไปจนหมดความสงสัยในหวงตัวเราเองยังมีข้อหล้องใจยังมีข้อสงสัยอยู่ก็คือมันมันมันยังมันยังไม่ยังไม่หมดความสงสัยนั่นแหละยังไม่หมดความสงสัยมันยังมีสิ่งสงสัยอยู่มันยังมีปัญหาอยู่จนมันหมดความสงสัยนั่นแหละเรื่องความโลภ ย้อนไปดูมันเรื่องความโกรธความตัดข้องนหัวใจมันใหม่เรื่องราคะตัญหาอย่างเงี้ยพิจารณาละเอียดลึกเข้าไปถ้าเราจะมารู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องรู้ทั้งให้เดินเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสัญญาเรื่องยัญ ญ, ญามันเป็นผลผลที่เป็นส่วนละเอียดของนามธรรมาส่วนละเอียดของนามธรรมามันก็เป็นกิริยาการของใจ เป็นกิริยาการของใจเป็นกิริยายังไงเราพยายามทดสอบอูตัวใจแท้คืออะไรเป็นอะไรกิริยาเหล่านี้มันแสดงออกมาเป็นยังไงเวทนาเอ่ยสัญญาเอ่ยสังขารเอ่ยยิ ญ, ญาณเอ่ยจับแต่ว่าเป็นช่องเป็นทางที่จิตคืผู้หูพวกเราออกมาตงนี้ออกมาทำงาน จะไสบายสบายปลอดโปรง่งไม่รับไม่แบกบไม่เส้นพาหะเป็นงานที่เราทําทําทําให้ถึงทําให้ถึงเพื่อจะได้เป็นการปลดเ ล, ล, ล, ลือดออกปลเครื่อนทุกออกจากหัวใจของเราการที่เราไม่ยึดไม่ติดะมันไม่ยึดไม่ติดยังไงก็เหมือนมันดูมันเป็นอื่นไปหมดมันไม่เป็นมันไม่เป็นันนันเดียวกันกับเรา มันไม่เป็นอันเดียวกันกับใจมันอยู่นอกใจอย่างใจมันเป็นภาวะที่ไม่ใช่เราเพราะมันอยู่นอกนอกใจนอกจากใจเข้าไปแล้วดูไปที่ใจมันก็เป็นภาวะที่มันเป็นภาวะที่ยังมีกิริย า, า, านั้นมาทำให้เรามีความรุ่มหลงอยู่ยึดอยู่สำคัญมั่นหมายอยู่ เอาจนหมดเพราะว่าเหล่านั้นน่ะและเราถึงจะตายใจเราถึงจะหมดความสำคัญมั่นหมายตั้งใจทําเถอะอทําให้ต่อเนื่องทําให้มั่งมากจะมีอะไรจะเป็นอะไรจะเพ่าะอะไรขึ้นมาเราก็ยินดีที่จะรับรู้รับทราบยินดีที่จะไปเชิญหน้ามันรู้ทุกระยทุกเวลาพลเอกประโคนจังใจให้ต่อสู้ให้ต่อเนื่องก็แล้วกันเถอะธรรมะของพระพุทธเจ้า ตัง้งใจที่ส่วนบุญไปนะท้องไทยของเราเรามาทา่องแดนพุทธภูมิ <c oughs> มีอะไรปลาลอบบี้ได้ไปหอดยังเก็บไปถึงหรือยังยังครับ่ฮะมาติดกันมาฮะเฮ้่ต้องท่องน้มันคอยอยู่แล้วหรือครับไอเด็กภาษาอะไรไหมครับบายแปดจะได้ข่า าา ม, มาภาษามาแล้วมาที่นี่ไม่ขัด ข, ข, ข้องเนววาะตอนนี้ตาพลากรค่ะก็การปฏิบัตินะคะพยายามทำกันได้พยายามค่ะแล้วก็มันก็ ม, ม, มีก็มีจุดนี้แบบเปลี่ยน้างไปเรื่อย อย่างเมื adece, e, 네่อวามีความรู้สึกว่าการนั่งอยู่เราก็มีความรู้สึกว่าตัวมันพองพองพองก็อึดอัดขัดท้องอย่เป็นถึงระยะเวลาสักนักหนึ่งความขัดข้องแล้วก็ความผิดอัดเหมือนตัวทองก็หายไปก็เกิดเกิดความสุขขึ้นในในระระดับหนึ่งในขณะที่กำหนดและมองเห็นมัน แล้วก็อีกเรื่องเงค่ะในการปฏิบัติในช่วงที่จิตว่างๆบางทีมันก็บมีความสุขรือที่ไม่มีความไม่มีความเร็บไม่มีความปวดในระยะเวลาที่ยาวนานแบบว่าเห็นสุขตรงนั้นแล้วแล้วก็พยายามจับสุขตรงนั้นเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเรายิ่งพยายามพอมีสิ่งเร้าขึ้นมาเช่นมีเสียงหรนอมีอะไรอย่างเนี้ยค่ะเราตามมันไม่ทันความสุขนั้นมันก็หายไปแล้วจับมันทุกข์อีกแล้วก็กปัญหานี้เกิดจากการปฏิบัติเหมือนเหมือนกับช่วงเวลานึงที่เราเหมือนสบายแล้ว เราเหมือนเหนเ็นเป็นเป็นภาพหนังเรื่องหนึ่งที่เราเราไม่ได้กําหนดไม่ได้แต่ใจว่าเร า, ากำหนดเอหอมันมาจากไหนอย่างเช่นเมื่อวานที่ที่ที่ที่ถัดปฏิบัติแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไหนเรื่องนึงมีบุคคลโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเราก็อยากตามพออยากตามปุ๊บมันก็หายไป แล้วอย่างนี้คือพยายามขัดกําหนดรู้ไม่ทานเลยค่ะท่านอาจารย์แล้วที่นี้คือการปฏิบัติมันก็ดูเหมือนมันมันขัดเพราะไม่ค่อยก้าวหน้ า, นาคือเรามีความอยากที่จะ<า>ให้มีความก้าวหน้ า, านอย่างเห่นนแบบติด<า>ให้มันเป็น เ, นเหมือนแสงที่มันสุกแล้วมันสบายแต่มันก็ยังทําไม่ค่อยได้ค่ะท่านอาจารย์เราตามไม่นานเราจะย้อนมาอยู่กับเราเสียก่อนวางวาย้อนมาดูกับผู้รู้ก่อนย้อนมาก่อนเมื่อเราดูมันเมื่อเราไม่ต้องการตามวัน รเราตามมันไม่เห็นไม่รู้ว่าคืออะไรก็คือก็คือเราตีตามอีกแล้วเราไม่ทันมันอีกแล้วเราไปยอนมาอยู่กับฐานขอเราเนี่ยย้อนอยู่กับฐานของเรามาันจะไม่เสียหายมามาลงความทุกตกความต่งา ง, คว า, ง, ค, วางความที่เกิดความที่ว่าเอออันนั้นลุกไปอันนี้หายไป รว่างสิ่สองสิ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งเกิดขึ้นอืเราก็เฉยเฉยเช่นอย่างความทุกข์เกิดขึ้นเราก็พิจารณารู้แล้วเราก็เฉยเฉยพอรู้สึกว่ามีความสุขเกิดขึ้นเราปรู้ว่าสุวแต่ก็ต้องเฉยเฉยเหมือนกันนะถ้าเราไม่เฉยเฉยมันก็ยืดแสดงมันดีใจมันพอใจกับสุข มันพอใจกับสุขมันไม่พอใจกับทุกข์แล้วมั น, ม, นมันเห็นไหมแต่เดียรร๋ยวความความโลภ ก, กับความโกรธจนละอีกข้อไปมันยังไม่อยู่พยายามดูความตามพยายามตามให้มันทันตรงนี้ทำแล้วทำไปเรื่อยเราจะไปหมายหมายว่าให้เป็นนั้นให้เป็นนี้ให้ได้อย่างใจให้ได้สงใจไม่ได้หรอกดูความเปลี่ยนแปลงภายในใจของเราหนึ่งเพราะว่าอารมณ์มันไม่ใช่เฉพา ร, รูปอย่างเดียวเรื่องราวอะไรแต่ละสารภาพที่ใจมันปรุงขึ้นมา สังขารธุรมันตรุงขึ้นมาแต่มันทันมันทั้งหมดนะมันทันมันทั้งหมดเพราะอย่างเราย้ายปัญหามาโฉบเข้ามามาโฉบเข้ามาในแง่มุมไหนถ้าให้เรารู้ทันให้เราตามทันมันยังมาที่มันก็ยังเคลืยบแฝงมาอยู่นั่นที่เราไม่ทันมันในพื้นที่ายไปอทำให้ทุกมันก็ว่าทุกเพิ่มขึ้นใหม่มแล้วเผนทุกกับเห็นสุขเท่ากันให้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกันเท่ากัน อันนี้ถึงจะว่าใจเราเป็นปลาแท้ๆใจเราไม่ยึดอ่ามันจะยึดมันจะน้องเอียงยึดความสุขอะไรเราะมันติดสุขถ้ามันเป็นแดความสุขก็เพรามัติดสุขเพราไปสัผัะแล้วนี่เออมันไม่ต้องฝ่าต้องฝืนนะมันดึงดูมันชอบมันแสดองความหมาเกิดความชอบใจขึ้นมาอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาเรารู้อะไรมันจะโผล่ขึ้นมาให้เรารับทราบ ดังนั้นเราเราจะย้อนมาอยู่กับอารมณ์เดิมของเราอารมณ์เดิมของเราก็คือเราตู้อะไรเราพิจารณาอะไรอยู่พิจารณาจอดทุบประดูทุบอันนั้นมันกระเด็นขึ้นมามันปรีแยกออกไปย้อนจากนั้นมาอยู่กับอันเดิมเนี่ยมันปรีแยกออกไปย้อนจากนั้นมาอยู่กับอันเดิมนี่แหลแล้วก็ขัดสีกันอยู่ตรงนี้แหละครับอย่นี้แหละ ดูสักตกกราคาดูให้ต่อเนื่องต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้มีอะไรหลงติดค้างเหลืออยู่อีกตัวนี้ตัวสัมพันธมันจะทำมจะทำให้เป็นอาหารให้จิตพวเราได้ดูได้ดื่มเป็นอนชาให้เราได้ดูได้ดื่มได้กินอยู่อมันจะเป็นอะไรไปช่างมันจะรระวังไอ้ตัวเครื่องแป้งมันจะไปแทรกเข้ามาก็แล้วกันเราจนไม่ปวดการให้มันไม่ปวดช่ำให้มันเจ้าปัหาความอยาก ความที่โดนในหัวใจของเราให้มันเกิเดจะมัดโลงขึ้นมาเกิเดจะมัดโลงขึ้นมามันจะยึดจีบบ้างตูบบ้างจีบบ้างถูบบ้างทั้งหมดตั้งใจทําเข้าไปแล้วสังเกตสังตาดูความถูกต้อ ง, องทงอ้งหมดอาอา กาหนูมีคำถามมีคำถามหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะสงสัยว่าดินแดนซึ่งภูมิเป็นดินแดนที่มันมีความเจริญรุ่งฟื้นศาสนาแต่ทําไมด้วยกรรมอันใดคนอินเดียหรือคนที่อยู่ในบริเวณนี้เขาถึงไม่ไม่ไม่ได้แบบมีความเลื่อมใสายศรัทธาหรผูกมัดกับสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดี ด, ด, ด, ดีหรือกรเกิด์เขามีกรรมอะไรที่ต้องเกิดในดินแดนแบบ น, นี้แล้วทําไมถึงจะเป็นอย่างนี้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสัตริธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ สัตวิฉ ม, มากสัจะทำเพื่อรองตรงพูดออกไปเคยเกิดตรงนี้ก็สามารถหายตรงนี้เคยมีตรงนี้แต่ก็ขยับจากตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นเคยมีตรงนั้นก็ขยับจากต ร, รงนั้นไปอยู่ตรงนี้เคยเสื่อมตรงนี้แล้วก็สามารถมาเจริญตรงนี้เป็นอะไรแน่นอนได้เราจะเห็นเราเห็นสัจว์จะทำเพื่อพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มันมันมันไม่มีอะไรแน่นอน มันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งเหตุปัใจจัยใหม่ทั้งเหตุปัจจัยเก่าโดยเฉพาะเรื่องของกิเลสกรรมแม้แต่เรื่องศาสนามันก็เป็นเรื่องของกิเลสกรรมเรื่องศาสนาทั้งหลายเปลียบเปียนกันมันก็คือเรื่องกิเลสกรรมกิเลสกรรมข้างนอกกับกิเลสกรรมข้างในใจของเราเหมือนกันที่เราพเรายายามต่อสู้หราอเป่าสมาโยยมมก็หลงขึ้นใหม่แล้วสมาโยยมมันก็หลงขึ้นใหม่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันแหละเพรมันเจริญยแล้วก็หายไปหายไปเสร็จแล้วมันก็เจริญขึ้นมาอีกมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันมีอยู่างนี้เป็นอยู่างนี้ท่านจึงไม่ให้เราประมาทเราไม่ให้รักไม่ให้เราประมาทไม่ให้เรานิ่งนอนใจอไม่ประมาทไม่ประมาทมีจิตเจริญอยู่ทุกทิศทุกบพไม่ตายใจไม่สะท้านมั่นหมายแล้วก็ไม่ตายใจกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่อัตภาพร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนอย่างที่ว่า พบหน้าจับหวนพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะมาทีก่อนถค่ะอเอาอะไรแน่นอนมันแน่นอนไม่ได้ <S <S สถานการา์มันร้อมที่จะรื้อถอนได้ทุกระยะทุกเวลาฟังนะเข้าใจนะรู้เรื่องกันน ะ, อะนอกกนั้นฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องหมดนออนเนาะเงียบไปเลยเนี่ย ถามเข้าไปจอเข้าไปหันกระบอกจอเข้าไปดูใจตัวเองน่ะตัวเจ้าตัวเจ้าตัวจอมตัวมาร้ายมันอยู่ในนั้นน่ะตัวพกตัวชาติตัวมั่นตัวหมายตัวก่อทุกข์กอโทษมันอยู่ในนั้นน่ะมันต่ออะไรขึ้นมาบ้างเราพูดถึงเรื่องนี้ทั้งวีทั้งวันน่แหละ พยายามดูให้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติข้อปฏิบัติมันไม่ใช่ผิวเผินพิ่มๆแล้วก็หยุดแล้วก็อันนั้นจะมีอันนี้จะมีไม่มีต้องจับตลอดทั้งถึงว่าชีวิตชีวิตเอาชีวิตทั้งชีวิตจะเป็นเดิมพันทําจนตายเนะี่ยทำจนตายหมายถึงเนี่ยกิเลสไม่ตายแต่เราก็ตายตายแล้วเกิดทำไมทำเอาอีกตายแล้วเกิดใหม่ทําเอาอีก ขัดสีตัวเองฉลาดขึ้นเพื่อเพื่อจะได้ประสบความสุขความสมหวังตามเป้าหมายที่เราคาดเราฝังเอาไว้ว่าเราจะเป็นความสุขความสุขขั้นไหนความสุขขั้นขั้นอิ่มน้ําตํารานความสุขความสุขขั้นหนามากๆเอบว่าหอ ม, มอุ่นไอุ่นความสุขขั้นหิวเต็มที่แล้วก็ ความสุ ข, ขั้นในบริโภคอิมเต็มที่อความความบริโภคไม่อริตกไม่อร่อยเลยแต่มันอิ่มกับความปริโภคอริตกอร่อยด้วยกินมน้ําส้ำรานเต็มที่อีกด้วยความสุขอะไรบ้างที่จะเป็นหัวใจของเราความสุขที่เหนือระดับก็คือความสุขที่ไม่กลับคืนสําเริบขึ้นมาอีกแบบพระยาเจ้าท่านเข้าถึงแล้วนั่นแนหะเป็นสิ่งที่เราหวังเราคุ้ เราตั้งใจปรารนาด้วยใจทุกคนถึงขนาดก็ตามเรายังไม่ได้เรายังไม่ถึงคือเราก็ต้องสั่งสมบุญบุญี่อำนวยความสุขความสะดวกให้กับเราตามสุขภาพตามภ า, าวะแห่งตนแห่งตนคือเรื่องบุญเนี่ยอยู่ที่เฉยบุญไม่เกิดเราจะต้องมีกิจกรรกายกรรมวิจีตรก ร, ร ม, มโนกรรมประกอบบุญจึงจะเกิดถึงวันหยังที่เรามาเนี่ยเราก็มีโอกาสแสดงกิจกรรมพิกายมาไหว้พระ มากราบพระมานั่งรถดูสิเจ็ดแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงทุกย่างลำบากมานั่งหลังคดหลังงอ<ม>ห้องน้ำก็ได้ใช้ห้องน้ำเต็มบ้งบเออแล้วกานั่งอดนั่งทนนั่งสู้มันได้ประสบการณ์มันได้ภาวะแวดล้อมที่ดี มันเป็นการพัฒนะศึกษาไปศึกษาข้างนอกศึกษามาที่ใจของเราศึกษาที่ใจของเราแหละศึกษาที่ไปไปที่ข้างนอกพัฒนะศึกษาศึกษาทัางในศึกษาทั้งในศึกษาทั้งนอกเ้าศึกษาต้องไปที่ศึกษาเพื่อใหเกิดความรู้เกิดความฉลาดต้องมาเห็นนี่แหละจะได้เป็นเครื่องเธอเดินเพื่อจะได้เป็นเครื่องดําเนินเพืจะได้อัวใจได้วิ้ี อะไรเพื่อได้มาที่ความทุขนั่นและได้มาที่ความสะดวกสบายไ ด, ด, ด, ยไได้ได้มาที่ความไม่ขัดข้องปลอดเปลือกสิ่งที่เป็นเหตุเหน ต, นตห้นตอเห็นวามทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปจากสี่ที่มายุยงยุยงแย่ก่อกวนในหัวใจของเราอันนี้ทเทียเ่ยมแต่ตั้งใจทําทําเล่นๆทำเล่นๆมันก็เกิดไม่ได้มันก็เป็นไม่ได้ทําเล่นๆมันก็ถึงไม่ได้ ทจำจริงทำจริงทาไม่หยุดไม่ย่อนเอาความขยันมันเพียรกันที่ตั้งถามอย่างนี้นแหละฮะคือเชื่อว่าปัจภปเปลี่ยนมีเท่าไหร่วิิยาปารมีวิทยะอุปบารมีวิทยะปรมัตเปรมีขั้นไหนระดับไหนวะขั้นไหนขั้นไหนก็ขันน้ขนระดับเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเอาเป็นเอาตายโซู้เข้าไปนั่นแหละระดับปรมาวิทยาวิรยิรยะปรมัตบารมี ความภาคความเพี่ยนปฏิฐานอูเบศฐานเว ท, า น, เว ท, า น, ทนาพิจารณาทุกเร่องหเมตตาตัเมตาเมตาจนสุดขีดหดแดนเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตาออมเมตาก็คือความสงสารกรุณาคือความเตือเถือเมตต า, าบารมีภูเบาบารมี กรุณาถ้าก็คงจะมารวมกันกับเมตทานั่นแหละทำไปด้วยกันเพราะว่ามันอยู่หน้าเกือบหน้าเดียวกันเลยทั้งไปเมตตากับกรุณาเมตตาความสงสารกรุณาคือการเข้าช่วยเหลืออเมตตาคือสงสารกรุณาก็คือต่อไปจากเมตตาเข้าไปช่วยเหลือเออ เขาเประสบทุกประสบทุกได้ยากอยู่แล้วเฉพาะหน้าเราเราเข้าไปช่วยแก้ไขเข้าไปช่วยเหลือกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกอ น, น, นันๆ์นะ่ะเออเขาอยู่ดีมีสุขแล้วเขาสุดวกสบายไม่มีทุกข์มีโทษไม่มีอะไรไม่หนาวไม่ร้อนไม่เยน็นร่างกายวุ่นวิ่งแ็งแรงนุ่นนี่สมบูบริบูรณ์หมดเออรอยยิ่รอยดดนั้นหสาธุการไปกับ ความจุความสะดวกสบายของเขาเนี่ยธรรมะของพระริจ้ามันทันกิเลสหมดนะทําไมผุกเยนนายมันก็ไม่ทันเฉลี่ยเลีเราจะเห็นไหมบางควรที่มันิดฉากทุกยากันเราไปดูหนังดูละครดูนิยายเราเป็นเสียรติั้งตาดูไหมตอนที่มันปิดฉากทุกยากันเห็นไหมมันเห็นคนอื่นกขาได้ดีแล้วมันทนดูที่เขาตีเกินหนักเกินตาเราไม่ได้หนากลังนี้มันไม่น่าจะได้มันหนักมันน่าจะหนีต้องเราที่ถึงจะหมาะถึงจะสมท่าสมจริงแน่ มันอิจาดิจยาเขานะี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะให้ยินดีพอใจกับสิ่งเขาได้สี่ที่เท่านป้นถ้าทุกอนุโมทนามุจิตามุติตาจิตมุติตาคือปลอ ย, ยินดีไปะเ่วอันนี้เป็นธรรมะเหกันนะธรรมะของพระพุทเจ้าเหล่นี้ละอียอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยบุญกรรมของเขาเขาได้ดีก็บุญกรรมของเขาเขาถึงดีก็บุญกรรมของเขาเขาถึงไม่ดีถึงความไม่ดีทกทกไระยาก เก็บถึงแค่ได้ป่วยถึงเป็นถึงตายโอ้ยจำของสากว์นาะจำของสากว์นาะจะได้แล้วก็ไม่ได้จะถึงแล้วก็ไม่ถึงอจะได้แล้วก็ไม่ได้ต้องมาถึงปลงถึงหลักอันจข็งทุกสัมพันธ์ตาการปลงการปลงอุเบกขาธรรมะอุเบกขาที่เขาพูดไว้น่ะมันไม่ใช่มานั่งตะบูนซื่อไม่ได้ไม่ได้ปรุงอะไรนะให้ปลงลงในจำของสัตว์ ทั้งหลายทุกวงมีคำทำคำหรดีทำค ำ, ำชั่วเอาไว้จะได้เป็นผู้รับผลเป็นคำหรือและคำชั่วที่ทำเอาไว้นั้นเราเป็นเส้นเดียวกันเขาก็เส่นเดียวกันที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าน้ำม้าขั้นตะลุกบอลขั้นภาคปฏิบัติจริงตรงนี้อย่ากที่เราพูดตันทามตันนีิแลดเราทำถึงท่านถึงท่านนั้น่ะเราทำถึงเหนือถึงผลถึงต้นถึงตอ ของเจ้าของจองมันทั้งทั้งเป็นที่อยู่เป็นท้ำเป็นเนื้อเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่จับจองเป็นที่อะไรอะไรของมันทั้งหมดเราเข้าถึงเลยตีถึงท้ำถึงโมูงมันเลยสาเห็นต้นตอคือตร ง, งนั้นเป็นอยู่ตรงไหนถ้าหมูมงของมันก็อ ย, นอยู่กับู้รู้เรานี่แหละหน้าฉลาดมามันก็มันก็ถอยไปอัน หน้าโง่มามันก็โสงลอยเข้ามาแล้วพอหน้าฉลาดมามันทอยออกไปพอหน้าโง่เข้ามามันก็โสงลอยเข้ามาแล้วอหน้าโง่เข้ามาหมายว่าจิตขอเรามันมืดด้วยสติมืดตันด้วยปัญญามันก็มื่อเมื่ดซึบบอดบอดอารต้องมคิดเหล่านั้นกระโสงลอยเข้ามาเลยมันแทกเข้ามาแล้วหละมันฉกมันชกมันฉวยเอาไปทำมุกชกฉวยเอาสิตอเราไปทำมุกฉวยเอาจิตอเราไปทำนี้เมื่ดบอดโงกเราให้จำมันแล้ว มืดบอดโลภเหลาไม่สว่างไม่เกิดแกู่้วยสติเพื่อบัญญาทั้งที่มีบัญญากเปรียนตรงนั้เรามีแสนสว่างคอยสอ่องมันตอสามารถชกล้างขับตอนไล่ความมืดออกไปในที่นั้นในบริเวณนั้นถ้าเพื่อสติปัญญาจ็ขึ้นหัวใจหัวใจพเราพัชลาแปลว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ เหมือนกับความสว่างแต่ในหัวใจของเรานั่ยหัวใจของเราตอนนั้นไม่มีวิชาครอบงาและมีแต่วิชาครอบงาวิชาแปลว่าความรู้เอาวิชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้คือความหลงโมหะโมหะความโลภความโรความหลงโมหะคือความหลงโมหะคือความหลงไม่รู้จเลือกเอาสับไม่ใช้ได้ยังไงโมหะคือความหลง โมหะคือความหลงความหลงในใจใจของเรามันลุ่มหลงเราม่รูจะสอบสองไปไหนไอความหลงที่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่สอบสองไปที่ข้อเท็จจริงหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงกูจะเรียกว่าความหลงความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องผูกพันกับอะไรทันที่อันั้นเกี่ยวข้องผูกพันกับอะไรก็อยู่กับอันนั้นยึดอันนั้นอยู่กับอันนั้นมันไม่ได้สอบสองดูตามสัจจ์ข้อเท็จจริงของมัน เอราก็เลยหลงตนหล ง, ลงออไปมันหลอกเราใช้ทุกเรื่ทุกเวลาเราก็ตามเก็บผลตามเก็บวิบากรรมที่มันสร้างมันทําให้กับเราเลยแล้วแล้วเล่าเล่าไม่จบไม่สิน้นพบน้อยพกใหญ่เนี้ยอยู่รืงไปอเนกชาติที่สร้างสร้างรังอเนกชาติอเนกชาติสังสาระเ้าเลื่ออยู่ไม่มีจบไม่มีประมาณ มเปรื่องปัญหาเรื่อาทานเหล่านี้แหละครอบคลุมไว้ใจของเราดูไปแล้วมันเป็นเครื่องช่วยให้เราสงสัยมันเป็นเครื่องท้าทายให้เราย้อนให้เราพิสูจน์ให้เราทดสอบอยู่นั่นย้อนเข้าไปไม่มีจุดอะไรอยู่สะดวกสบายนั่งหลับตาไปย้อนเข้าไปดูด้วยไปดูอะไรมันจะโปรกขึ้นมาไปดูอะไรมันจะโปรกขึ้นมามันโปรกขึ้นมาได้ยังไงตามต้นดูมันนี่ไม่ส น, นุกจนเกิน เราทําความรู้ตามความเข้าใจอยู่อย่างนี้เราก็จะเป็นตัวของตัวเราก็จะเป็นอิสระอพวกอัศรพิธีมันคอยแอรกมันคอยสวมดอยเข้ามาหนึ่ง เ, เาามืเราเวเรายามเราเต้าอยู่ทุกเรื่อทุกเวลาลมันไปนยืเบื้องตีเราใช้ไม่ได้ยืมพวกนี้ของเราไปใช้ไม่ได้แต่ถ้าตรงกันข้ามมันสวมดอยเข้ามาแหละแพลทีงมันก็เหมือนกับสนามเกิดในเหล็กนั้นแหละมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นแหละ โผลขึ้นจากมายาชั่วร้ายขรงมันตรงนั้นแหละมันไม่เกิดขึ้นจาที่ไหนไม่มีใครส่งมาให้ไม่มีใครพอดเข้ามาให้เหมือนอย่างมือถือของเราเนี่ยคนนั้นป้อนนั้นมาคนนี้ป้อนนี้มาคนนั้นส่งนั้นมาคนนี้ส่งนี้มายุคสมัยทุกวันมันเกิดตรงนั้นเองของมันนั่นแหละเหมือนสนิมเกิดตรงนั้นมันจะมาจากไหนมันก็ไมาจากเล็ก น, นะนั่นแะนี่มลทินของใจความโลภความโกรธราคะตัณหา มันโรล่ขึ้นมาแสดงฤทธิ์ออกมาถึงกายมันก็ออกมาจากใจบางทีใจก็เป็นเหตุทําให้กระเดือนมาถึงกายบางทีกายก็เป็นเหตุทําให้กระเดือนมาถึงใจแต่แบบมันก็ของกลับมันอะของมันอยู่ด้วซันเนี่ยของกลับมันของมันอยู่ด้วยกันอ่าอาตัวอะไรมันเกิดขึ้นมันแสดงขึ้นมันแสดงตรงนี้เพราะมันยังมีมันยังมีฤทธิที่จะออกมาเฉลิมขึ้นมาได้เพราะเราทัด เราชัเราล้างเราขัดเราเปล่ามันยังไม่จุดกมันยังไม่สุูนมันยังไม่รบกวนมันยังไม่สับสนุกเหมือนอย่างเหล็กจะเป็นเหล็กเนี่ยอ่ถ้ากระูนอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสนิมที่จะมาเกิดขึ้นแท้ที่จริงะเนเลสหนานไปมันก็เป็นมันกันมันมีสิ่งเร่องแฝงมันอย่างทองเงนีมีุู่นมีนี้มากระายมีนุ่นมนี่มาเลามันงอมีแล้ว นทองเป็นเงินทองเป็นอะไรเนี่ยเป็นทองเหลืองอะเนี่ยมันก็มีมัตินมาเกาะทั้งนั้นแหละแอ่จิตที่ริสุทธ์นั่นน่ะไม่มีเลยมันจะเป็นเของผู้รู้มันจะเรื่องอารมณ์กับผู้รู้พผู้รู้เหล่านั้นไม่มีอารมณ์เป็นสองไม่มีอารมณ์ไปเป็นสองกับอารมณ์แล้วเนี่ยเอาอาไรมาเปลี่ยนแปลงจิตใจนั้นให้เป็นอีจฉาได้อต้องภาวะอยู่อย่างนั้นแหละไม่เอาอะไรมาครับ เราเป็นทุกข์ไม่หนุนภาวะความเป็นทุกข์ความภาวะที่รับว่าจะ้องเป็นทุกข์มี่วงมีคนที่จะมารับว่าเป็นทุกข์มันไม่มีไม่มีใครชนะที่จะเก็บไม่มีผู้ที่จะมารับไม่มีผู้ที่จะมารับรองผลรายได้เหล่านั้นผลเหล่านั้นนั้นมันก็ไม่มีในโลกความทุกข์จะไปตกอยู่ที่ไหนมันไม่มีมันไม่มีัวงอีกที่ที่จะไปตกานั่นแหละประมังทุกขัม ปฏิบัติเี่คพ้นทุกข์บรรทุในวัฏสงสารรมหลักพุทธเจ้าทั้งสอนเอาไว้พเราพยายามปฏิเสระจทั้งอกทั้งใจทำมากทำน้อยทำวัดรวดมลทั้งบนภาวนาตามอย่างนี้แหละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตได้ปุ่าเรายังไม่ถึงที่สุดแต่เราอยู่ด้วยคุณเราก็พออยู่พอเป็นพอไปสภาพร่างกายอยู่มีจริงมีในตัวเองร่างกายไม่ทุกไม่เสือม จะได้ปวดเเรื่องธรรมดาดูแลแก้ไขไปโลกใบนี้อยู่พัฒนาไปพัฒนาไปจนถึงที่สุดมันก็ต้องไปถึงตรงนั้นแหละมันจะหมดถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นอ่าบดเบี้ยวไปหนทางอื่นนี่มันก็ไม่ถึงแล้วศาสนาบมทุกศาสนาไม่มีศาสนาไหนที่จะไปคนเส้นทางทางเองคนเดียวเหมือนอย่างพุทธยอดท่านทรทงท่านตรัสเอาไว้ มีสถานะทางของพระองนี่แหละคอมันหนึ่งมันหยุดสองนอกนี้อยู่เราพิกรณาหาข้อมูลก็เท็กจริงของมัก็รู้ข้อมูลรู้ก็เท็จจินแล้วก็หยุดหนะยุดหยุดเหตุยุดปัดจจัยเหล่านั้นดึงเหีุคปัจจัยออกเหมือนเองเห็นลืนไฟกำลังจุดอยู่กับปืนเรก็ไปดึงปืนออกดึงออ อออลึอออกพื้นออกแล้วเป่าให้ดับลึกพ <โ tray. S 1> ื้นออกแล้วก็เป่าให้ดับลึงพื้นออกแล้วก็เป่าให้ดับแน้วื่ามันหมดเชื้อแล้วมันจะไม่อะไรมันนึกมีอะไรไหมมนหมดเชื้อที่จะไหมเราดึงออกเราเปรียบเรียบเหมือนกับครอบปฏิบัติที่เราเพย า, ายามละพียามงดพยายาเวบนนึ่งรักษาถี่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามถึงข้อห้ า, า, า, า, า, า, า, หานั่นแหละเมื่อเราไปดึงไฟออกลึกลื่มพื้นออกลึกออกลึกออกลึกออกไฟที่มันจะออกมันนำแรงมันก็มันมันก็ไม่ไหมเลย มันเลื่อไปลถไปรถไปรถไปไหนมันไม่มีแรมกรหมอดมันหมดมันก็ดับนะฮะเพราะเพราะมันหมดเชื้อเชื้อภายในใจของเราคือตันหายางเหนียวในใจของเราเป็นยางเหนียวมันเป็นตันหามันมีตัวตนปรากฏภายในใจของเราที่ทําให้เราย้อนไปจับได้ส่วนนี้แหละพยายามนั่งย้อนจับตลมดจุจ่อลองดูให้รู้จับหน้าให้รู้จับตาทั้งวันเมือนกันมันมันสงบลอยตีจริงอยู่้่ำไปไม่จบ c o วงพ่ t จิตจริงแล้วหลวงพ่อจิตจริงแล้วแล้วก็ทิ้งทุกข์ทิ้งโทษทิ้งที r บาปทำให้เราต้องได้รับกรรมตามมันเองแล้วเราทุกข์เพราะเพราะเราโง่เราเองเราจะพูดตรงตทุกข์เพราะเราไม่ฉลาดเราเองทุกข์เพราะเรายึดเาเองทุกข์เพราะถือเราเองทุกข์เพราะเราสคัญ่หมายเอาเองมันไม่มีใครทให้เราทุกข์เราเองยึดเราเองทุกข์เราเอง มันหมายเอาเองสร้างเสร้างปัจจัยเอาเองพอ้วเวลาแก่เราจะต้องมาแก้เองแก้เองเอาไปเองทนทุกคนโทษไปเอง <S <S แก้เองไมเหมดผลแม้แความมันก็ไม่มีมันก็หมดบนสเสน้เนทางเส้นนี้แหละบนเส้นทางเส้นอื่นศาสนาอื่นศาสนาทางอืง่นไม่ม คนผู้หญ้าก่อนปรินิพานก็ถามคนนั้นบอเป็นสัปด า, นาคนนั้นบอเป็นสาสัาคนนั้นก็เป็นสาสัาว่าคนนั้นบอเป็นพระอหารคนนั้นบเป็นพรอหารพหารจริงไหมอ่ะเหมือนอกับผู้หญิงแ้ตอนพระองค์ใกล้กัปรินิพานยมาถามเลยเวลาเหลือน้อยจากัด เ, เวลาเหลือน้อยจากัดมาถามไม่ต้องไปไสถาม ไทยเป็นไทยเป็นไม่เป็ น, ไ, ปนไม่เปลนนะฮะศาสนาธรรมของไทยที่มีอริยมรรองแป8ศาสนธรรมนั้นมีมระอารหันต์ศาสนาในโลกนี้มีศาสนาของตถาคตศาสนาเดียวมีอ ร, ริยมรรองแป8มีสีธรรมะปัญญาราะฉะนั้น พระอาหันตุสามารถละเปลี่ยได้เด็ดขาดก็จะมีเฉพาะในศาสนาของพระองค์เท่านั้นศาสนาอืก็สมมติไปนับถือกันไปว่ากันไปว่าพุทว่าภูว่ากันไปเป็นที่พุ่งเป็นที่ยึดเป็นที่ถือขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นอืมแต่พวกเราเนี่ยพร้อมมูลสมบูรณ์หมดทุกอย่างพราเรามีใจใจแล้วก็หมดกำจาย เอาใครจะยันอ่านให้กันฟังก็แล้วแต่เสียงแค่ไหนครับระนะประมาณอีกประมาณสักเจกิโลหกเจดกิโลก็จะเสแลนะ้วรไมนะ่เเลยทันงน้มีครับงน้ น, บบ น, นอัแล้วเราลงี่เราจะไปไปคครับคาเหรอโหมือนเตรียมม้วทอะไรเรียบร้อยเสใเข้าเข้าที่นัด เดี๋ยวจะมาพาอะ